วันอาทิตย์ที่สี่พฤษภาคมพศ2540ทรมาบรรยายเรื่องปฏิจจสมบบปกฎรายการสุเทพโพ ธ, ธิสัทย์ธามขาธุชนที่เคารพประสุนวันนี้จะอธิบายต่อจากขราวก่อนเราพูดถึงประสุน ท, ที่ชื่อว่าสัมมสาสัสดุที่แปลว่าการพิจารณาป็ะสุร ท, ที่แสดงถึงเรื่องของการพิจารณาธรรมภายในก็ยางพูด ยังไม่ครบนะครับได้พูดถึงโดยลําดับมาตั้งแต่พระผู้มีพภาคได้ทรงตรัสแสดงถึงทำภายในที่พิสูควรพิจารณาตั้งแต่ชรลาและมรณะเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงอุปธิที่พูดค้างอยู่นะครับอุปธิว่าชรลาและมรณะนั้นเปอุปธิเป็นสมุดฐานลึกเป็นเหตุเป็นปัจจัยผมก็จะให้ดู แผ่นที่ท่านแสดงสรุปแล้วก็จะใช้ประกอบการอธิบายไปโดยลำดับด้วยคือการแสดงนั้นท่านแสดงย้อนตั้งแต่ชรลาและมรณะว่าชรลาและมรณะนั้นเกิดจากอะไรปกติเนี่ยเราจะคุณกับความว่าชรลามรณะนั้นมีชาติเป็นปัจจัยซึ่งสิ่งที่เราคุณ น, นั้นก็เป็นภสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงโดยมากเป็นอย่างนั้นแต่ในสูตรนี้ได้ทรงแสดงยักษ์ยยะเป็นอีกแบบหนึ่ง ว่าชลาและมรณะคือความแก่และความตายนั้นมีอุปธิเป็นปัจจัยแล้วอุปธิที่ทรงตรัสหมายถึงนี้ท่านหมายถึงนามรูปหรือเรียกว่าขันห้าเป็นอันเดียวกันนะครับนามรูปก็เรียกในที่ทั่วๆไปแต่ในพระคัมภีรานั้นท่านแก้ว่าได้แก่ขันห้าแ่้อุปติที่แปลว่าทําอันเป็นที่ตั้งมันเนี่ยมันมีสามอย่างอย่างหนึ่ง เรียกว่ากรร ม, มูปธิคืเวณกรรมที่ได้ทําแล้วก็เป็นที่ที่เราอาศัยเรียกว่ากรัร ม, มูปธิเสื่ออง น, นี้ไม่ใช่และอีกอย่างหนึ่งกิเลสูปธิได้แก่กิเลสที่เรามีก็เป็นที่เข้าไปอาศัยเป็นที่ตั้งมั่นของพวกเราเป็นปัจจัยสาคัญของชีวิตเราอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าขันธูปธิได้ แ, แก่นามรูปที่เรามีเนี่ยครับ ก็เป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งมั่นในการทอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับกระทั่งความมีความเป็นในชีวิตของเราก็อาศัยขันห้าเป็นที่อาศัยอุปที่ตรงนี้ท่านหมายเอาขันห้าเหตุใดขันห้าจึงเป็นปัจจัยแก่ชราและมรณะคาตอบก็คือเพราะว่าความแก่และความตายย่อมเกิดขึ้นกับตัวขันห้าความแก่และความตายนั้นเป็นอาการของขันห้า ขันห้าที่เรามีอยู่นั้นมีอาการแก่และอาการตายอุปธิจึงได้ชื่อว่าเป็นแดนเกิดหรือเป็นปัจจัยของขันห้าของอุปทิของชราและมรณะถ้าจะถามในทางหลักว่าเป็นปัจจัยโดยปัจจัยอะไรตอบเป็นอย่างหลักปฏิจจาก็ตอบมาเป็นปัจจัยโดยปกติภาพคือเป็นปกติปัจจัย คือมันเป็นปัจจัยโดยปกติภาพว่าเมื่อเรามีนามรูปมันก็ต้องมีอาการของนามรูปคือความแก่และความตายเราไม่สามารถที่จะมีแต่นามรูปแล้วไม่ให้แก่ไม่ตายได้หรืออีกในอย่างหนึ่งไม่ให้ตั้งอยู่แล้วก็ไม่ให้เสื่อมไปได้ถ้าถามว่าแล้วชาติหายไปไหนก็ตอบว่าชาตินั้นท่านผนวกไว้ในความเป็นอุปธิคือความมี อุปทินั่นแหละเป็นชาติในความปรากฏขึ้นอยู่ในนั้นลมอนุลมอยู่ในอุปธินั่นเองอนุอนุมลมในในความเป็นตัวนามตัวรูปนั่นเองทวนี้ที่จะกล่าวต่อไปในวันนี้ก็คืออุปธิมีอะไรเป็นปัจจัยหรืออีกอย่างหนึ่งว่าขันห้าหรือนามรูปของเราหรืออัตภาพของเรานั้นมีอะไรเป็นปัจจัย แน่นอนรับปัจจัยที่ทําให้เกิดขันห้ามีหลายอย่างเวลาพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงบางครั้งก็ทรงแสดงว่าเกิดจากกรรมบางครั้งก็อาจจะแสดงด้วยเหตุปัจจัยอื่นแต่การแสดงในทีนี้ทรงแสดงเพื่อมุ่งหมายในทางปฏิบัติและการที่จะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อคนจากชรลาและมรณ ะ, ะนนเนี่ยก็จะต้องดูเหตุที่มันเกี่ยวข้องปีเป็นเหตุสําคัญด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องการปฏิบัติได้ด้วย ท่านก็ชี้ว่าอุบธิมีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็คืออริยสัจนั่นเองแหละถ้าจะชี้ให้ดูชัดๆเนี่ยนะฮะผมผมจะให้ดูตรงนี้ประกอบเพื่อจะให้เห็นความเป็นอันเดียวกันระหว่าง อริยสัก์กับปฏิจจสมุปบาทคือเรารู้อยู่ว่าตัณหาอันนี้ม า, า จ, จะเขียนกลับกันให้ให้ใหใหวิจารณตามบทสอนว่าถ้าแสดงลงแสดงอนุลมถ้าแสดงย้อนขึ้นอย่างอย่างดานซ้ายมือของผมเนี่ยเป็นการแสดงโดยปฏิลมพระพุทธเจ้าเริ่มแสดงโดยปฏิลมชลามรณะเกิดจากอะไรอุปที่เกิดจากอะไรตัณหาเกิดจากอะไรนะตัณหาเนี่ยมันคือสมุทยัยสัจ และอุปธิเนี่ยนะครับความจริงก็คือสังขะหิตเตนะปัญจุปันนะปัญจูปตาณาขันธาทุกขาเราอุปทิก็คือขันห้ามันก็คือทุกทีนี้ชรลาและมรณะเนี่ยเป็นการกระจายขันห้าออกมาเป็นรายละเอียดเหมือนอย่างในอริยสัจเมื่อแสดงภูเกศทุกข์คืออะไรท่านก็จะเริ่มแสดงแบบกระจายก่อนว่าชาติทพิทูทขามรณาจนกระทั่งถึงโสกปลิเตว่าทุกขะโทมันัตอุบา ย, ยาต ว่านี่เป็นทุกข์เสร็จแล้วท่านก็มาแสดงคหมวดว่าทุกข์นั้นเมื่อสรุปโดยย่ อ, อ ก, ก็คือขันห้านั่นคือในอริยสัจเพราะ น, นั้นทุกข์ที่พระเจ้าแสดงเนี่ยจึงมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งคือตัวทุกข์กับอาการของทุกข์ตัวทุกข์อาการของทุกข์ที่ิสัตว์เนี่ยจะเข้าใจอาการของทุกข์อาการของทุกข์คืออาการของขันห้าได้ชั้น แล้วก็ตั้งข้อรังเกียจมีความเหลือดเนื้อร้อนใจกับอาการของทุกมากกว่าตัวทุกเราตัวอาการมากกว่ากลัวตัวเหมือนอย่างเราได้อะไรสักอย่างหนึ่งมาที่มันแตกมันทําลายได้เราไม่เคยนึกกลัวความแตกของมันที่มันจ้องจะเกิดอยู่หรือที่มันเจืออยู่ในนั้นแต่เราจะเห็นภัยเราจะกลัวเราจะตื่นตอกใจก็ต่อเมื่อมันแตก แต่สําหรับผู้ที่ถึงทำเนี่ยเขากลัวความกลัวความังเกยียรเนี่ยก็คืบลงไปถึเหตุว่าความแตกนั้นมันเกิดจากเหตุก็กลัวแบบตัดไปแต่ต้นลมอันนี้เวลาพระเจ้าแสดงอริยสัตวเนี่ยท่านก็สแสดงในสิ่งที่คนเข้าใจได้ก่อนแล้วก็คืบลึกเข้าไปหาสิ่งที่ควรกลัวว่าเราไปกลัวปลายเหตุไม่กลัวต้นเหตุและคนปฏิบัติธรรมเนี่ยอามรมณ์ความรู้สึกคนปฏิบัติธรรมก็จะกลัว ตัวในที่สุดี่จะกลัวตัวอย่างเช่นเราบอกเรากลัวการเกิดกลัวน้ำกลัวลูกเกลียยเกลี่ยน้ำเปลี่ยนรูกเนี่ยนะก็จะกลัวตรงนั้นหรือคนที่กลัวการผัดพลาด ก, ก็จะกลัวความผูกพันที่หลายคนไม่อยากมีบุดไม่อยากมีอะไรอะไรที่เป็นที่ผูกพันเนี่ยก็เพราะว่าความคิดเขาเลยไปถึงให้ความอัลกลัก็เลยกลัวแบบตัดไปแต่ต้นหลบนี่เป็นลักษณะของความคิดแบบในทางลึก แต่เวลาจะบอกคนอื่นเนี่ยก็ต้องเอาสิ่งที่เขาเข้าใจได้มาบอกดังนั้นทุกเนี่ยท่านจึงแสดงไว้ที่ตัวกับอาการนะอริยสัจสี่แสดงไิจุถึงโสกัฤติเทวะแต่ในที่แสดงชาลาและมรณะตามในยะที่แสดงอย่างจริงปฏิจจ์แต่เป็นอันเดียวกันคือทุกขสัตว์นี่ยจะเห็นว่าชลามรณะกับอุบธเนี่ยคือทุกขสัตว์อะอย่างยอ่อ อย่างพิสดารคือพิสดารโดยอาการย่ อ, อ ก, ก็โดยตัวอาการเนี่มันพิสดากรกับตัวอยู่แหละตัณหาเป็นสมุทยัยก็พูดสั้นๆก็คือทุกมีตัณหาเป็นเหตุเกิดทีนี้ในอริยสัจในนี้ผมพยายามพูดให้นึกเพื่อระ อ, อริยสัจที่จะคุณหูเราตัณหาคืออะไรแทนที่ท่านจะพูดว่าตัณหาเกิดจากอะไรเหมือนอย่างปฏิจจนะฮะ ตัณหาเกิดจากเวทนาท่า น, นพูดอย่างปฏิจจากคืกระจายรายละเอียดแต่ถ้าในอริยสัจสี่ท่านไม่แสดงเหตุเกิดของตัญหาเพราะต้องการจะแสดงแก้วันตนาเป็นเตเมื่อไม่พูดในเชิงเหตุท่าอตัณหาคืออะไรแล้วก็อธิบายว่าตัณหาคือความโลภในรูปเสียงที่รถโมลปะเปียรูปสตัตว์ลูกไปอย่างนั้นแต่ผู้ในเชิงเหตคือตัณหานั้นเกิดจากเปียรูปสตัตว์ลูกเป็นปัจจัย อันนี้ก็จะพูดแบบในเชิงเหตุผลหรือในเชิงตัวบทบรรยายไม่ชี้เน้นในเชิงเหตุผลซึ่งเราเราจะได้พูดต่อไปในสุดนี้นะครับเป็นนั้นว่าเราพักตรงนี้แล้วก็ดูเนื้อความในพระสูตรให้ชัดเจนต่อไปว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเมื่อเธอพิจารณาย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าอุปธิมีตัณหาเป็นเหตุตัณหาเป็นที่ตั้งขึ้นจะมีตัณหาเป็นที่ตั้งขึ้น มีตัณหาเป็นองค์เหนือเรืเป็นไวโพจน์นะครับคำพูดต่างๆแต่ความหมายยังคงเดิมมีตัณหาเป็นแดนเกิดมิตเมื่อตัณหามีอุปาธจึงมีเมื่อตัณ ห, หาไม่มีอุปาธจึงไม่มีทุกนี้เราก็อธิบายว่าที่ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดอุปาินั่นคืออย่างไรเป็นเหตุด้วยอำนาจของปัจจัยอะไรเป็นนิทานเป็นสมุทฐานดปวยเหตุปัจจัยอะไรเนี่เราเราพูดด้วยชัดโดยโยงเข้ามาอาศัยความรู้เรื่องปัจจาน ไม่ใช่โดยกรรมมากปัจจัยแต่ท่านหมายเอาโดยปัตูปนิสยปัจจัยซึ่งก็อธิบายอย่างที่เคยอธิบายในสูตรอื่นๆมาแล้วว่าความอยากของเราเนี่ยครับที่เราอยากคือผูกพันในตาก็มีตาผูกพันในประสาทหูก็มีประสาทหูความทยานอยากที่เราสะสมซึ่งทจริงมันไม่ใช่แค่อยากอย่างเดียวก็โดยธรรมดาเนี่ยอยากมันก็ทากรรม แล้วว่าจริงๆเนี่ยถ้าว่าอันใดให้ลงรายละเอียดก็คือว่าเมื่อบุคคลเกิดความอยากแค่อยากว่าเราชื่นชมในอัตภาพเราในตาหูจมูกของเราเนี่ยเพียงเท่านั้นมันเกิดพลังขึ้นมาสองอย่างและหนึ่งพลังประตูที่จะต้องเป็นไปตามมโนภาพที่เราต้องการและเกิดกรรมเพราะตัณหาเนี่ยมันมันมีความเป็นกรรมอยู่ด้วยเกิดพลังกรรมถ้าลำพังเราอยากแล้วก็แค่อยากเท่านั้นมันก็แค่กรรม ชนิดหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์เป็นอาคุศสกรรมที่ไม่โ่วมกรรมะบทอะไรแต่มันมีเชื่อกรรำเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับทีนี้เราเมื่ออยากเนี่ยเราเรายังไม่อยู่อยู่แค่นั้นเราพยายามทําอะไรเพื่อให้สมอยากและคําว่าพยายามทําอะไรเพื่อให้สมอยากเนี่ยมันไม่ใช่ต้องแปลว่าต้องเชื่อเวรเชื่อกรรมแล้วต้องไปทําบุญสุนทานอย่างที่คนเข้าใจกรรมและทำเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นด้วยความเชื่อกรำ แต่หมายถึงการที่เราถึงไม่เชื่อกรรมเมื่อเราอยากอยากมีเมื่ออยากมีพันธมีผิวพันธุณสวยงามเราก็อาจจะคิดเอออยากจะมีอัตภาพดีมีความมีอยู่ดีเราก็เลยเลือกว่าเราจะต้องทําอาชีพนี้ซึ่งอาจจะเป็นอาชีพขาดตัดแต่ชีวิตอะไรอะไรอย่างนี้นะหรือต้องทำอย่างนี้ชีวิตเราถึงจะอยู่ดีมีสุขอะหรือว่าอาจจะโดยออกม า, าเออเราเนี่ยอยากจะมีนั่นมีนี่ มีแว่นใส่มีอะไรต่างๆเสื้อผ้าได้สวยได้ใส่เพื่อให้ชีวิตเรามันมันสมปรารถนาตามที่เราอยากจะให้มีให้เป็นเนี่ยเราก็อาจจะไปทําอะไรอื่นๆอีกทั้งโดยตรงโดยอ้อมอีกมากหมายหลายอย่างเพื่อให้ชีวิตเรามันเป็นอย่างนั้นทีนี้ไอที่เราทําไปนี้เราอาจจะไม่ได้เชื่อกรรมเลยแต่เมื่อทําด้วยเกจจํานงมุ่งหวังให้ชีวิตเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราทํานั้นก็ย่อมจะเป็นกรรม เมื่อเป็นกรรมเนี่ยไอความอยากที่เราอยากเกี่ยวกับตาเกี่ยวหูมันจะต้องมีตามีหูแต่เพราะกรรมที่เราไปทำมันเป็นกรรมทำให้ตาเราต้องเป็นตาสัตว์หูเราเป็นหูสัตว์เนี่ยนะมันก็ไปได้หูได้ตาอย่างสัตว์แต่กรรมมันก็รู้นะโยบายเพราะกรรมเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของเจตจำนงของตัญหาถ้ากรรมนั้นไม่แยกยนต์เจตจำนงนั้นก็ได้ผลอย่างไม่แยกยนต์ ถ้าเจตจำนงนั้นบุคคลสั้งขึ้นแล้วทํากความาแยกยนก็ได้ตาได้หูอย่างแยกยนตอย่างว่าเราเราสมดว่าเราอยากมีชีวิตดีเราไม่ได้ไปทําอาชีพที่มันเป็นบาป ท, ที่จะต้องไปเป็นเดรจานทั้งไปเป็นเปรตและมีตาอย่างเปรตอย่างเดรจานอย่างสัตว์นรกนะเราทําอาชีพอย่างดีและพร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็ใช้ธรรมะความดีงามเป็นบุญเป็นกุศลในอาชีพนั้นด้วย เราก็จะได้อัตภาพที่ใช้การได้คือดูได้ได้ยินได้แต่มีความประณีตอย่างคนที่ทําบุญนี้ถ้าสมมติเราเชื่อบุญเราก็รู้วิธีที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องทําอาชีพอย่างงีอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างไม่ได้รู้ทําอย่างรู้กรรมแล้วก็ใช้กรรมเนี่ยเป็นเครื่องช่วยเราก็จะได้อัตภาพที่ดีขึ้นแต่คุณสมบัติของความเป็นตาก็ยังคงเป็นตาอยู่ ตามตันหาต้องการคุณสมบัติของความเป็นหูก็ยังเป็นหูอยู่อย่างตันหาต้องการแต่คุณสมบัติแวดล้อมเนื้อหาสาระส่วนอื่นแตกต่างกันนี่คือตันหาเป็นปัจจัยแก่อุปธิอย่างนี้ก็ เ, เอาความว่าตั้งแต่อารมณ์ ป, ประพลมลงมาถึงนรกเนี่ยเรามีหลักร่วมคืออยากเหมือนกันแล้วก็สมอยากเหมือนกันสมอยากว่าอยาก มีตาได้ตาดูได้อย่างนี้นะอยากมีใจเหมือนกันแก้กข s สมอยากคือได้ใจที่มีคุณสมบัติรู้ทำอารมณ์ได้แต่เราทำกรรมเพื่อสนองความอยากเพื่อบรรลุความอยากนั้นแตกต่างกันเราก็มีอัตภาพที่แตกต่างกันไปตามอำนาจกรรมมันก็เลยมีอยู่สองอย่างแต่พรจะพุทธเจ้าท่านเอาเขตสาสาธรณะเขตทั้ โดยไม่ต้องไปเลือกว่าเป็นเป็นตาของใครตาของสัตว์ในภูมิหนลองเป็นตาแล้วมีเหตุร่วมเหมือนกันหมดอ่านี้เป็นบทอธิบายเราดูเนื้อความต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอย่อมทราบชัดซึ่งอุปธิเธอย่อมทราบชัดซึ่งเหตุเกิด แห่งอุปธิย่อมทราบชัดซึ่งความดับแห่งอุปธิย่อมทราบชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควรเครื่องให้ถึงความดับแห่งอุปธิและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติตามนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามธรรมมีการอธิบายหน่อยที่ว่าย่อมทราบชัดอุปธิเนี่ยตรงนี้ไม่ได้หมายถึงทราบชัดโดยทฤษฎีแต่หมายถึงการทราบชัดทุก วุปธิเนี่ยเป็นเชื่ อ, องทุกแล้วนะครับตอนนี้โดยในญากของการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานจนถึงบังเกิดมักขยานขึ้นก็รู้แจ้งในทุกคืออุปธิเนี่ยและเหตุเกิดก็รู้ว่าเกิดจากปัญหาและความดับคําว่าความดับตัวนี้หมายถึงสัานนิพพานหรือถ้ายังไม่ถึงขั้นมรรคผลก็หมายถึงรู้ทิศทางมีความหวัง มีความเห็นว่าเป็นไปได้ว่าทิศทางอื่นที่จะดับอุปธิได้คือทางานิพานธนั้นใจสนองเอยงไปทางนิพานนิพานเป็นที่สึ้นที่ไม่มีอุปธิ อ, อันนี้เราก็ต้องนึกว่าธรรมะพวกนี้เป็นของสูงเป็นของสูงมากคนที่อ่านอย่างนี้แล้วและเป็นผู้ปฏิบัติจะอธิบายกับตัวเองได้อย่างดีกว่าใครจะอธิบายให้ฟังได้ทั้งหมดเลย และย่อมทราบชัดปฏิปทานี่ก็ทราบชัดก็หมายถึงว่าก็ตัวเองก็กำลังปฏิบัติอยู่นั่นแหละรู้ว่าที่เราทําเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งเป็นปฏิปทาด้วยคยือหมายถึงตัววิปัจนาตัวมรรคผลเนี่ยนะตัวมรรคเนี่ยแล้วเป็นตัวกําหนดรู้ประที่ด้วยเป็นตัวกําหนดรู้เหตุเกิดประที่คือตัณหาโดยรู้โดยการละด้วยแล้วก็ใจโน้เบียงรู้โดยว่ามีนิพานใจควรจะไปทางนั้นใจโนเบียงไปทางนั้น อาการรู้อย่างนี้โดยเบ็ดเสร็จพร้อมๆกันนี่แหละครับชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิปทาด้วยทำปฏิปทานั้นอยู่ด้วยทีนี้มีคําว่าย่อมเป็นผู้ปฏิบัติตรงนี้ท่านแสดงโดยบุคคลคือลังพังอริยสัจสี่เนี่ยก็จบแค่ว่าปฏิปทาตึมงไปชื่อเองมักแต่ในนี้แสดงโดยบุคคลว่าผู้ปฏิบัติเพราะอริยสัจสี่เนี่ยมีผู้ปฏิบัติคือกลุ่มขันคือตัวเรานั่นแหละครับพูดอย่างอย่างสมมุติโลกเป็นผู้ปฏิบัติตามนั้น กพราะว่าการรู้อริยสัจสีจะต้องรู้โดยสันดานใดสันดานหนึ่งสันดานใดสันดานหนึ่งที่เข้าไปรู้อริยสัจสี่โดยอาการสี่อย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติทีนี้คําว่าปฏิบัติเนี่ยในในแง่ของภาษาทางพระไติฎกเนี่ยนะฮะเราก็ได้พบว่าส่วนหนึ่งเมื่อกี้เราเรียกว่า ป, ปฏิบัติธรรมคือการเจริญภาวนาในสำหรับพวกนักปฏิบัติ ถ้าสำหรับทั่วไปบอกปฏิบัติทำคือทําอะไรก็ได้ไเรียกว่าปฏิบัติแม่จะทําการทํางานเนี่ยก็ไม่ได้ไปเจอหลักฐานว่าปฏิบัติเนี่ยหมายถึงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ภาคพิเศษนะเรียกว่าปฏิบัติแล้วก็ท่านก็บอกวายัางศีลคนรักษาศีลก็เรีว่าปฏิบัติคนทำธรรมศาก็เรียกว่าปฏิบัติคนที่ทําวิปัสสนาก็เรียกว่าปฏิบัติกระทั่งถึงยอดของการปฏิบัติคือบรรลุมรค น, นั่นเราเรียกว่าปฏิบัติ นั่งอยู่เฉยเนี่ยเป็นยอดทั้งการปฏิบัติและในองค์คุณของความเป็นผู้ปฏิบัตินั้นก็มีศีลมีสมาธิผนอยู่ในนั้นคําว่าผู้ปฏิบัติในนี้ท่านมุ่งหมายเอามรักผลระดับมรักผลเชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็ตอนท้ายสมัยย่อมอาชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติตามธรรมหมายถึงปฏิบัติตาม อาลีอัสัตจะทำนั่นแหละครับตำรับในที่นี้ก็พูดอย่างนี้ถ้าไปที่อื่นปฏิบัติตามปฏิบัติทำสมควรแก่ทำอะไรอย่างที่เราเคยพูดมาก็มีคือสมควรเมืองปฏิบัติเหตุสมควรแก่ผลก็ได้หรือว่าปฏิบัติทำสมควรแก่การขอร้องบอกสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ทำสมควรนั้นก็ได้แล้วก็จาดว่าเราเรียก ภิกษุผู้นี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งอุปธิโดยชอบทุกประการเ อ, อเราจะเห็นว่าคําว่าทุกเนี่ยที่ว่าปฏิบัติเพื่อความสิ้ทุกข์เนี่ยบางทีทุกเนี่ยท่านเรียกรูปยอดรวบยอดคือก็คืออุปธินั่นแหละแล้วมาเรียกรวบยอดเพราะว่าอุปธิหรือขันเนี่ยัางทีท่านเรียกว่าขันเฉยๆเขาเราเรียกอย่างไม่ตีผ้า ไม่ตีค่าในทางต่ําหรือในทางหน้าลังเกียจแต่เวลาท่านจะมาสอนเพื่อให้เกิดความรู้สึกเล่งเร่าท่านจะเรียกแบบตีฆ่าจะเรียกว่าทุกข์ท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปหรือปฏิบัติธรรมเพื่อความดับทุกข์ไปนะี่นะหรือเรียกว่าโลกเพื่ออะไรจะเรียกแบบตีฆ่าแต่เนื้อหาแล้วมันคือขันห้าเลืองปฏิก็เลยคําพูดเหมือนพูดวกวนเหมือนย่งแ ย, ง, ยงขัดขัดกันความจริงก็มีความหมายอธิบายอย่างนี้ ขอให้ดูต่อไปท่านจะพูดถึงตันหาก่อนที่จะพูดถึงตันหาเนี่ยผมอยากจะทำความเข้าใจช น, นิดหนึ่งก่อนก่อนที่จะลืมไปว่าเมื่อบุคคลพิจารนารู้ชรลามรณะพิจารนารู้ปทิทินรู้องละคราวองละคราวหมายความว่าเมื่อรู้ชรลามรณะโดยนัยะอริยสัจสี่คราวหนึ่ง แล้วก็ต่อมามารู้อุปัติอีกครั้งหนึ่งมารู้ปัญหาอีกครั้งหรือว่ารู้คราวเดียวกันอธิบายยังไงครับถ้าเป็นการรู้ในขั้นเบื้องต้นคือเมื่อแรกทำหรือในระดับวิปัสนาเนี่ยจะรู้คนละคราวคราวหนึ่งก็ปลาลบสลามมรณะคราวหนึ่งก็ปลาลบอุปัติเป็นคราวๆกัอนอย่างนี้ คนละคราวกันแต่เมื่อปฏิบัติขึ้นไปถึงในเบื้องสูงเนี่ยความรู้ในลักษณะรวบยอดจะค่อยๆมีมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นมรรคผลเป็นความรู้รวบยอดคือรู้ทุกอย่างทุกองคในคราวเดียวกันแต่มีข้ออธิบายว่าการรู้แบบรวบยอดรู้ทุกอย่างนั้นรู้โดยไม่รู้คือไม่ต้องรู้ไม่รู้หมายว่าไม่ต้องทาให้เป็นอารมณ์ ในคลีความรวบยอดไอ้ความรู้รวบยอดมันค่อยๆทีแรกก็จะกระจายแล้วค่อยๆรวบรวบรวมเามานะแต่พลังความรู้มันกับชัดเจนขึ้นความโง่น้อยลงนะฮะค่อยๆรวบมาจนกระทั่งถึงทิ้งอารมณ์ทิ้งการปลารลบทิ้งการรับรู้โดยอารมณ์ได้มาหลายจึงจะรวบยอดได้โดยเบ็ดเสร็จสมบูรณ์หมดแต่ใ น, นเวลาท่านพูดถึงการรู้ของมรรคอย่างในประสูนย์เนี่ย เอามาักเป็นที่สุดนะแต่ก็อนรมณ์ถึงขั้นวิปัสนาด้วยจากหมายถึงการรู้อย่างไม่ได้ปลานลบเป็นอารมณ์แต่เวลาพูดให้เราฟังก็พูดออกมาเป็นทีละชิ้นทีละส่วนเหมือนรู้ทีละอย่างทีละอันแท้ที่จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นกันนี้มาพูดถึงอริยสัจก็ ถ, ถึงตัณหาจะ อ, อีกประกฉาหนึ่งพิสูจเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายใน ว่าก็ตัญหาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนอันนี้เป็นการแสดงถึงเหตุสาวไปหาเหตุตัญหาเมื่อเธอพิจนาย่อมรู้อย่างนี้ว่าที่ใดแลเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกเมื่อตัญหาเกิดเนี่ยย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น สังเกตคว่าเกิดการตั้งอยู่เกิดนั้นท่านแสดงการปราลบในเบื้องต้นตั้งอยู่ท่านหมายถึงการขยายฐานกำลังความเติบกล้าของตัณหาอยู่ที่นั้นเหตุเกิดของตัณหากลายเป็นอารมณ์ปัจจัยตัณหาทำให้อุบทีิเกิดโดยปกตูปริสยาปัจจัย แต่ตัญหาเองเมื่อจะเกิดเนี่ยเกิดโดยอาศัยอารมณนะ์ปัจจัยเป็นปัจจัยดังนั้นท่านจึงบอกว่าก็อะไรเล่าเป็นที่รักที่ชื่นใจในโลกที่บาลีใช้คำว่าปีรูปสารุปปีรูปแปลว่าภาวะอันเป็นที่รักสารุปภาวะอันเป็นที่ใคร่แต่ในนี้ก็เขาแปลว่าที่ชื่นใจอันเดียวกันปีรูปสารุปทีนี้ก็อะไรเป็นปีรูปสาตรุป ในพระสูตรนี้แสดงแต่ย่อแต่ในสูตรอื่นเนี่ยจะแสดงตั้งแต่อายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณที่เกิดขึ้นระหางอายตนะภายในภายนอกกระทบกันแล้วก็เจตสิกกรรมที่เกิดนับเนื่องกับวิญญาณที่เกิดกับอายตนะภายในภายนอกกระทบกันเนี่ยนะกระทั่งไอ้กุศลอกุศลที่เกิดล้วนแล้แต่ทั้หาอายเกิดได้หมดทั้งกระบวนการถ้าจะจําอย่างย่อๆก็คือว่า อายตนะภายในอายตนะภายนอกอย่างละหกแล้วก็วิญญาณหกมีสามส่วนเนี่ยครับแต่ในสูตรนี้ท่านแสดงแต่อายตนะภายในเป็นหลักเท่านั้นแล้วท่านเรียกรวมกันว่าเป็นอารมณ์ตรงนี้ต้องเขียนให้ดูนะฮะว่าอายตนะในหก กับอายตนะนอกหกเนี่ยแล้วก็วิญญาณหกปัญหาอาศัยเกิดท่านเรียกว่าอารมณ์คืออายตนะภายในหกเนี่ยปกติมันเป็นที่กระทบอารมณ์ คืออารมณ์คืออิจตนาภายนอกกระทบนะอิจตนาภายนอกก็คือรู้ลูกเสียงกิโลโภตปะวิญญาณหกมันก็เป็นตัวรู้อารมณ์แต่ทั้งอิจตนะในอิจตนะนอกวิญญาณที่เขาทางานกันแบบเป็นเหตุเป็นปจัจจัยเป็นที่เป็นวัตถุเป็นอารมณ์เป็นตัวรู้เนี่ยตัณหาเขาเอาเป็นอารมณ์เขาหมดล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ของตัณหาเหมือนกับ ถ้าไปยะตะนะภายในก็คือว่าเรานึกถึงตาแล้วเราชอบตานึกถึงหูแล้วเรากำหนัดชอบใจในหูติดใจผูกพันยึดถือในหูเนี่ยหูเป็นอารมณ์ของตัณหาเรานึกถึงรูปที่กระทบตาพอใจตาตาก็เป็นอารมณ์ของตัณหาพอใจในรูปที่ตากระทบด้วยเราก็เอาอารมณ์คือรูปอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ตัณหาเป็นอารมณ์ และความรับรู้ที่เกิดขึ้นทางตาจากสญญาากุวิญญาณจักขุวิญญาณวิถีเจตสิกที่เกิดขึ้นทั้งกระบวนการตัณหาเข้าไปยินดีเข้าไปชอบใจได้หมดจึงทั้งสามส่วนแห่งอายตนะนี้เป็นอารมณ์ของตัณหาตัณหาถ้าไม่มีอารมณ์ให้จับแล้วจเจริญไม่ได้และการละตัณหาตามภระสูตรใดๆพระสูตรต่างๆ ตักของกระพุทธเจา้าก็จะต้องต้องทาอาตันหากับอารมณ์เนี่ยไม่ให้มาเจอกันคือเนื่องจากว่าไอ้ไ อ, อายตนะเราจะไปเลิกนึกก็ไม่ได้จะไปเลิกรับรู้ก็ไม่ได้จะไปเลิกมีก็ไม่ได้รูปอารมณ์เราจะไปเลิกรรู้เลิกเห็นก็ไม่ได้วิญญาณทางตาเราจะไปเลิกก็ไม่ได้มันต้องมีแต่สิ่งที่เราเกิดกันออกมาได้คื อ, คอตัวนี้ ทีนี้ปัญหาว่าทําอย่างไรถึงจะเกีดกันออกมาได้คือถ้าพูดอย่างให้มันง่ายๆที่เราเข้าใจได้ทันทีคือว่าเมื่อเรานึกถึงอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณ น, นึกอย่างไรไม่ให้นึกได้ตัณหานี่นแหละครับนึกอย่างไรไม่ให้นึกด้วยตัณหาถ้าเราสามารถนึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ให้ตัณหาเกิดนั่นแหละชื่อว่าเราพรากตัณหาควบคุมตัณหา และไม่ให้มันได้พลังที่จะสร้างพบสร้างชาติต่อไปเนี่ยหลักวันนึกอย่างไรใม่เกิดตัณาตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนี้จะบอกในลําดับต่อไปตอนที่จะ <c oughs> อธิบายถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับก็นในประเด็นที่ห้านี่ก็อยากจะทบทวนให้ชัดขึ้นอีกนิดนึ่งสําหรับบางท่านว่าตัณหาก็ออาชอบใจในตาเนี่ยชอบอย่างไรตรงนี้ท่านก็อธิบายไว้อีกว่าเราชอบเรื่องตา ทั้งกระบวนการเช่นชอบชอบแบนตาผู้งี้เราเไม่เห็นหนักหนาสหาหัสอะไรนี้ไม่เห็นมันเรื่องหรือใหญ่โอรุนแรงสร้างภพสร้างชาติอะไรชอบใจในรูปที่ดูในสูตรนี้ผู้เอาเอาตาเป็นประธานเนี่ยนะแต่ว่าย้อนไปหารูปอารมณ์ที่เกี่ยวกับตาแล้วก็ชอบใจในขนตาในอบริพันธ์ของตากระทั่งดูงชอบใจในประสาทตา ถึงเราจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงเนี่ยแต่เรารู้ในลักษณะว่าตาเห็นเราพอใจในการเห็นเวลาที่มองไม่เห็นอะไรเนี่ยมันเป็นความไม่พอใจเลยความไม่น่าชอบใจเลยคนตาไม่สั้นก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรมันชินแต่ถ้าคนตาสั้งมีแว่นแล้วมาแดะแว่นใสมันก็เกิดโทสะขึ้น น, นิดนิดนี่คือความพอใจในตาในหูในจมูกในลิมในกายในใจทั้งนั้น เป็นบทอธิบายอย่างสาั้นไอ้เกล้าเนี่ยชุ่มแช่กับความยินดีนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วจะเห็นว่าไอ้การที่เราขวนขวายพยายามทําอาชีพพยายามทําผิดทําถูกทํากุศลกรรมโดยความเชื่อกรรทำทําอาชีพใดๆเนี่ยก็เพื่อสนองตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราทั้งนั้นไม่ใช่อื่นใดขอให้ดูบทอธิบายในทางปฏิบัติควบคุมตัณหาต่อไป พระผู้มีพระตรัสว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการ์ตึงในสูตรนี้ก็เพื่อจะแสดงว่าเป็นของไม่จำกัดการไม่ใช่เป็นของเฉพาะการใครก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามถ้าทําอย่างนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดใครไม่ต้องการเป็นอย่างนี้ทําอีกอย่างหนึ่งเป็นเหมือนกันหมด เนี่ยเรียกว่าเป็นของอยู่เหนือการละเวลาเราพูดถึงประเด็นห้าประเด็นหกประเด็นเจดประเด็นแปดนี่เหมือนกันนะก็เนื้อความของสูตรที่หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยยืนอยู่ในหลักใหญ่นี้เหมือนกันก็พูดทีเดียวที่อื่นก็อธิบายลวกไปได้ท่านว่าอย่างไรได้เห็นอารมณ์มันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจ ในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษตรสามณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทําตันหาให้เจริญขึ้นสามณาหรือพราหมเหล่าใดทําตันหาให้เจริญขึ้นแล้วสามนาหรือพราหม์เหล่านั้นชื่อว่าทําอุปัฏให้เจริญขึ้นเราเราหยุดแค่นี้ก่อนคําว่าได้เห็นอารมณ์เนี่ยเห็นไม่ใช่เห็นได้ตาแต่หมายถึงด้วย ปัญหาด้วยทิฏฐิด้วยมานนะเอาเอาด้วยพวกเราด้วยปปัญจะทำแต่จะเอาทิฏฐิเป็นหลักก็ได้ทิฏฐิเป็นหลักอย่างเราทําวิปัสนาเนี่ยทิคือทิฏฐิวิปลาสทิฏฐิวิปลาสนั่นเองครับและอารมณ์เนี่ยหมายถึงว่าเนี่ยครับอเยตนาหกปัญหาปลาเราอเยตนาหแล้วก็ปลาเราวตาเนี่เป็นของเป็นของเที่ยง ชอบใจเชืนอใจใหเห็นเป็นของเทียงรู้สึกเป็นของเที่ยงอย่างที่ชาวโลกทั่วไปคุ้มคุนหรือเป็นของสุขเป็นของดีความสุขก็เกิดที่ตาความสมปรารถนาความอิ่มเอิเกิดที่ตาที่หูเนี่ยเราเราเราเนี่ยเราพลาลบอย่างนี้จริงๆเราเอาตาเป็นสาระนะด้วยความรู้สึกว่ามันเที่ยงเอาหูเป็นสารณะก็ด้ยความรู้สึกว่ามันพึ่งพาได้ทำนึกว่าเที่ยงตัวเนี่ยมันทําให้เราเกิดความรู้สึก หวังจะพึ่งแล้วก็เห็นเป็นของสุขเราแทบจะสิ้นหวังเลยว่าถ้าไม่มีตาและชีวิตเราจะเป็นสุขได้อย่างไรแล้วก็เห็นว่ามันเป็นตนเป็นของตนเนี่ยก็รวมอยู่ในนี้นะและเป็นของไม่มีโรคไม่มีโรคนี่เป็นน้ำนนนิดหนึ่งไม่ ม, ม, ม, ม, มีเหมือนเหมือนตัวเราเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีโลกตาว่าเป็นรังของโลกตาก็เป็นบ่อกเกิดของโรค ของโรคโรคนี่ไม่ได้หมายจะโราภัยจะเกิดทํายว่าเป็นเรื่องของอาพาธขัดข้องที่จะต้องพึ่งเหตุพึ่งปัใจจัยให้ตายอยู่เป็นของมันเหมือนมันมันอยู่เอกเทศเหมือนว่าคนที่อไม่มีปัญหาทางสุขภาพตรงที่ใดที่หนึ่งเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นของไม่ได้เดือดร้อนอะไรเหมือนคนหนุ่มคนสาวมีขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ประมาทไรทํานองอย่างนี้นะมีความรู้สึกเหมือนเป็นของปลอดโรค ซึ่งพามันได้ไม่ต้องไปดูแลรักษาดูภาพแล้วก็โดยความเป็นของกเกษมเกษมก็หมายถึงความพาสุกแล้วแล้วเป็นของปลอดภยัยเป็นที่พึ่งพาได้ยันว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นลืมตาไปก่อนอ <c oughs> าทางหนีที่ไล่ได้ไงนะแล้วสุดมันมันทำให้เราปลอดภัยอย่างนั้นแต่ว่า ให้ทางทางปลาไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นหลับตาไว้ก่อนหลับตาเข้าสมาบัติเนี่ยพ้นได้มันคิดกับตาลับตากระลังคือไม่ต้องพึ่งตาที่ชื่อว่าทําตัณหาเลยตรงนี้แหละครับคือทัศนกติทัศนาง่ายๆว่ะเราในมีความมีพิถีพิประหลาดถมีทัศนกติอย่างนี้เดียอยู่ทุกวันทุกบัดเนี่ยเมื่อปลารบปลบรลบจนเก่งหัวสะพานเนี่ย เราก็อยู่อย่างนี้คือสร้างภพสร้างชาติถ้าเราไปเทียบกับชีวิตของคนที่เขาเขาอยู่ในป่าในเขาทํากรรมฐานเนี่ยเมื่อคนละแบบกันของเราสร้างภพสร้างชาติแล้วก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วยทัศนกติกอย่างนี้ตัณหาก็เจริญขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันทัานถึงตรัสอย่างนั้นว่าตัณหาย่อมเจริญถึงเมื่อตัณหาจเจริญโอบเบตรเจริญ ตัณหาเจริญอุปาทิก็เจริญไอ้ตรงนี้ในความจริงมันเกือบจะเป็นอันเดียวกันนะครับผมเวลาแสดงท่านก็แสดงอย่างนี้แต่ว่าเอาพูดจำแบบเอาลงลึกเนี่มันเป็นอันเดียวกันเพียงแต่ว่าเอาง่ายๆอย่างนี้ฮะว่าผมเขียนว่าตัณหากับตาสองอย่างจริงๆแล้วมันคืออัญญาัญญาปัจจัยกันไอ้นี้เป็นอารมณปัจจัยฮะตัณหาเป็นปัจจุบันิธยะปัจจัยฮะ ตรงนี้ดูอธิบายทั้งหน่อยนะเมื่อตรงนี้นะพูดว่าตัณหาจเจริญเพราะคิดถึงตาปลาลบตาด้วยความกระสัญอยากด้วยทัศนคติอย่างที่ตีวิปลาชชื่อว่าตาเป็นอารมณะปัใจจัยให้ตัณหาเกิดคนถ้ามันจะอยากอะไรขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าอยากอะไรไม่ได้มันจะต้องมีที่อยาก แล้วก็ใส่คำเล็กลงไปในสิ่งที่ตัวเองรับรู้อยากนั้นอยู่ทีนี้เมื่อตัณหามันอยากในตาเราก็มีตาอย่างที่พูดนะเมื่อตัณหามันมีพลังพราปลาลบตามันก็เหมือน เ, อเก็ดภาพฉายแบบสร้างดึงพลังเข้ามาแล้วก็สะท้อนออกไปเป็นตาต่อไปตาเก่าทำให้เกิดตาน ตาปัจจุบันทำให้เกิดตัญหาปัจจุบันนี่นะความจริงมันต้งอดีตอนาคตนะแต่เอาๆเอาพองง่ายๆว่าตาปัจจุบันไม่เกิดปัญหาตาปัจจุบันทำให้เกิดตัญหาปัจจุบันและตัญหาปัจจุบันก็ทําให้เกิดตาอนาคตต่อไปนี่ตัญหาทําให้เกิดตาต่อไปโดยปรตูปริศญาณปัจจัยถ้าฟังไม่ออกก็บอกคนข้างๆอะไร เธอก็าฟังมานา น, านาจะช่วยตพอบพพได้ก็เลยเนี่ยครับไอเราเนี่ยมันก็มันอิงอาศัยกันอยู่อย่างนงี้นะแต่จริงๆเนี่ยเราชอบปัญหาปัจจุบันในเป็นตัวยืนแต่มันไถ่ไปปลารบอดีไถ่ไปปลาลบอนาคต ด, ด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ว่าตาเราเป็นเมื่อก่อนอย่างงี้อย่างนี้ไอความอยากมันก็เมื่ อ, อ, อ, อ, อก่อนตาเราหวานเดี๋ยวนี้ทำไมไม่หวานนะเมื่อก่อนตาเราดีเดีนี้ทําไมไม่ดี แล้วต่อไปเราจะต้องอย่างงูยอย่างนี้ไอตาเราเป็นอย่างนี้โดยอาศัยปัจจุบันเป็นตัวยืนนะแล้วก็เชื่อมไปตัวเรียนอนาคตเนี่ยตัณหาปัจจุบันเนี่ยมันคิดอย่างนี้แต่ว่าเวลามันสร้างตามันจะทําให้เกิดตาอนาคตต่อไปโดยปัตุกุลิศยาปัจจัยเพราะตาปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากตัณหาเก่า ปัญหาเก่ากรรมเ่าสร้างมาตรงนี้เราจึงจับหลักเลยว่าทัศนคติต่อโลกเนี่ยสําคัญมากนะต่อโลกและชีวิตการทํากรรมฐานคือการเปลี่ยนทัศนคติต่อโลกและชีวิตต่ออารมณ์เสมอนะถ้าเปลี่ยนไม่ได้หรือเข้าใจตรงนี้ไม่ถูกก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสละตัญหา ทำกรรมฐานตามแบบพระพุทธศาสนาได้จริงๆทีนี้เราดูตรสัสด์ต่อไปตรัสถึงว่าสมณะหรือพราหมณเหล่าใดทําอุบาติให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพระาม์เหล่านั้นชื่อว่าทําทุกข์ให้เจริญทุกก็คืออุบาตินั่นเองพราะทุกตรงนี้ท่านหมายถึงวัฏฏะทุกหมายเอาวัตฏะทุกไม่ได้หมายถึงทุกเขเวทนา ที่ไหนมีขันที่นั่นมีทุกผู้รักขันผู้รักทุกผู้มีขันก็คือผู้มีทุกพูดเหมือนเป็นเหตุเป็นความจริงตัวเดียวกันเป็นแต่เพียงใส่ค่าให้ดูอ่ะใส่ข้าอ่ะเนี่ยเมื่ออุปธิจเจริญปัญหาทำไมเกิดอุปธิอุปธิจเจริญขึ้นทุกข์ก็เจริญก็คืออันเดียวกันแหละครับเพราะว่า อุปาธกับทุกเป็นอันเดียวกันตรงนี้ดูนี่เี่ยนะที่จะบอกว่าความสาคัญในอารมณ์ความเห็นในอารมณ์ทัศนคติต่ออารมณ์คือทิฏฐิวิปลาดในอารมณ์ที่เราสั่งสมสั่งสมสั่งมสงมเป็นประโยชน์แกบตัญหาเวลาจะเปลี่ยนในทางปฏิบัติจะถึงต้องตรงนี้เวลาเริ่มนะจะคุมตัญหาต้อ ง, งมีวิปัสนาภูมิแล้วก็คูดให้ยอมรับ ความเป็นจริงในชีวิตเสียใหม่ท้าไมเริ่มตรงนี้แล้วไม่มีทางคุมตัณหาได้ทำยังไงก็คุมไม่ได้เพราะถาวิปัสสนาครูไม่ไม่ดีเนี่ยเท่ากับเป็นการเสริมตัณหาหรืออาจจะคุมตัณหาบางชนิดได้เหมือนยังมีมีคนถามว่าเอ๊ะธรามธรรมธรรมถากะทำวิปัสสนาแล้วทําธรรมถาใจมันก็เฉยมันจะนิ่งนี่มันก็ไม่ยินดีไล่้นี่มันจะต่างกะทําวิปัสสนาอย่างไร อย่างนี้นะในคำตอบก็คือว่าถ้าทำธรรมฐานเนี่ยมันเฉยต่อไอตันหาที่เกี่ยวได้ความาร้าเรอนในกามแต่ถ้าทำวิปัสสนาเนี่ยมันเฉยในระดับสูงกว่าเฉยจากความาร่าเรอนในกายคือในนามรูปมันต่างกันตรงนี้เพราะว่าถ้าทำสมาธิถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเฉยไม่ได้ล่ะต้องต้องทําอะไรทำไมไม่งั้นคนได้ฌานไม่ร้องหอมร้องไห้ไม่ฌานแตก หรือไม่เกิดความยินดีในนามและรูปชนิดใหม่ที่ตัวเองได้ซึ่งเป็นความยินดีในตัณหานี่เมื่อตัณหาเจริญอุปธิเจริญคือนามลูปเกิดสร้างชีวิตสร้างขันยิ่งใหม่นี่เมื่ออุปธิเจริญเนี่ยก็คือทุกเจริญผู้ที่สิ้นอุปธิจึงเชื่อว่าเป็นผู้สิ้นทุกพ้นทุกดับทุกอุปธิยังมีเจ็ดชาติทุกก็มีแค่เจ็ดชาติทีนี้ ในนี้ว่าต่อไปในสูตรนี้นะครับว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดทำทุกให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชลามรณะโศการิเทวะทุกขรมนาลุปายาตอ่ะพูดถึงแค่นี้ก่อนเนี่ยท่านขยายทุกเลยว่าจากตัวจากอบัติซึ่งเป็นตัวเป็นตัวนามรูปเลยนะแล้วก็ใส่ค่าลงไปว่านี่คือเรียกวัตทุ แลพอพูดถึงทุกข์แล้วก็เลยมาขยายต่อมันอันเดียวกันนะว่าทุกข์เจริญทําไมถึงเรียกว่าเป็นทุกข์ตีค่าเป็นทุกข์เพราะว่ามันมีชาติรามหมอนั่งโศกับเรียก ว, ว่าขยายอาการอย่างที่ชาวโลกเข้าใจได้อต่นี่อะมันเป็นทุกข์ที่เรากลัวๆ ก, กันนึกเขียนได้เราก็อาจจะเถียงบางตัวหรือไอ้ที่ที่เรายอมรับอย่างโศกับรี่าเป็นทุกข์เราอาจจะมันก็ไม่ไม่ได้ทุกข์ตลอดไปนี่หรือถ้าเป็นทุกข์แล้วก็พอจะแก้ไขได้นี่ อั น, นนี้ก็ต้องเถียงกันต่อไปตามภาษาคนที่มีศัสนคติไม่ไม่ดีตั้งตน้นแล้วก็ท่าจึงตรัสต่อไปว่าเรากล่าวว่าเขาไม่พนแล้วจากทุกได้เลยนี่ที่เห็นย้อนกลับมาอีกย้อนกลับมาเลียร์รวบย้อนว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าจะรามอันนี้นมันก็คือทุกไม่พ้นไปจากทุกไม่พ้นไปจากอุบติที่เนี่เดียวกันหมดเลย ทำพูดเลื่อนๆไปให้เกิดความรู้สึกเป็นผลต่อความก้าวไปในธรรมหรือความเห็นใรในสงสารนั่นเองเนี่ยเพราะะนั้นถ้าเรียกว่าทุกเนี่ยสรุปสั้นๆขยายความว่าเป็นชาติก็เป็นอาการของทุกที่ขยายเพิ่มขึ้นอาการของอุบติอุบาิเป็นตัวนามรูปทุกเป็นการตีข่าอุบติ ชาลามรณนะเป็นอาการของอุปติแล้วก็ไม่พ้นทุกก็คือสรุปเลียดสั้นๆทุกกับความดับทุกจะจะเอาค้นทุกหรือจะเอาค้นกิเลส <c oughs> จะดับทุกหรือดับกิเลสนะอ่าฮ ะ, ะดับกิเลส แล้วทั้งสองอย่างก็เอาไม่เอาไม่มีกิเลสแต่มีทุกข์หลือเอาไหมถ้าไม่มีทุกข์หลือมีแต่กิเลสเอาไหมไม่ไม่มีทุกข์จะมีแต่กิเลสหรอที่จริ ง, รงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้เราก็บอกไม่เป็นไรแ ล, ล้วไม่มีทุกข์มีแต่กิเลสแต่บังเ อ, อิญมันเป็นไปไม่ได้ก็อย่างที่เคยมีพระกชีเสียงกันเรื่องว่าชีกชีบอกว่าเราต้องละทุกข์พ้าบอกไม่ได้ มันผิดหลักอริยสัจนะมันต้องละปัญหาทุกคนก็หมดรู้อ น, นี้เราคนกลกางเราเราก็ฟังแล้วเรารู้ว่าถูกทั้งคู่แต่คนละหนกันคือว่าถ้ากล่าวโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยต้องละทุกเพื่อละทุกแต่กล่าวโดยวิธีการต้องละปัญหานในอริยสัจแสดงโดยวิธีการแต่อย่างเงี้ยพ้นทุกอะไรเรียกว่ากล่าวโดยจุดมุ่งหมายทุกเนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพน้นนี่คือเรื่องสาระใหญ่หรือความมุ่งหมายใหญ่นะ ไอการไปลากยีหลงที่เล็กพวกนี้เป็นวิธีการวิธีการก็เรียกว่าตัณหาเป็นสิ่งควรละในเงียวิธีการแต่ละตัณหาก็เพื่อคนทุกข์ดับทุกข์เป็นเป็นโบหานสิ่ง เ, เรียกว่าละเรียกว่าอะไรก็ได้บารีเขามีเรียกอะไรอย่าคนละไหนกัน <c oughs> ทีนี้ถาด จะคุมได้ก็ต้องดูใหม่ที่ปเด็นที่ที่เก้านะครับว่าสำนัหรือพรามเราไดหล่าหนึ่งในอดีตการได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่หลักเป็นที่ชื่นใจในโลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยสำนัหรือพรามเ่านั้นชื่อว่าลักตำหาได้อที่ว่าเห็นก็คือกลายเป็นสัมเห็นด้วยวิปัสสนา โดยสำมัติปัญญาโดยมรรคโดยผลทีนี้นทําไมเขาถึงยังเรียกว่าอารมณ์มันเป็นที่รักที่ชื่นใจเปียลูกสัจจลูอันนั้นเขาเรียกว่าเรียกตามสํานึกของชาวโลกมันยตาเราเนี่ยเรียกเป็นสองแบบนะเวลาพระสูตรหรือในอริยาศาสตกา ว, ว่าเปียรูสัจจลูรูปที่น่ารักที่ชอบใจเนี่ยเรียกตามภาษาชาวโลกก็เรียกว่าแม้พระผู้เห็นทุกข์แล้วมากําหนดตากาหนดรูปก็กล่าวว่าเป็นผู้ที่ กำลังเห็นเปียรูสาตาลทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน้ำตาเป็นไผ่เนี่ยนะตรงนี้เรียกว่าเลี่ยดในแง่ของฝ่ายธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวนแง่ของฝ่ายธรรมะแล้วเนี่ยปียรูสาตาลูเนี่ยไม่มันไม่ใช่หรอกต้องเป็นอักปียรูอาสาตาลูใช่ไหมครัเพราะมันไม่น่ารักไม่น่าพอใจ แต่เมื่อเราจะพูดตามความคิดทั้งชาติโลกก็ต้องเรียกไปตามอย่างนั้นมันจะน่ารักน่าพอใจเพราะความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นก็อยา่าไปนึกว่าธรรมนาหรือพรามที่ท่านเห็นเป็นของไม่เที่ยงล้วไปเห็นตาโดยความเป็นของน่ารักไม่ได้ไม่ได้รักหรอกครับเป็นแต่เพียงชื่อเรียกไปตามโลกท่านจึงได้เปรียบเทียบเอาไว้อ่ะครับดูประเด็นที่แปดนี่ก่อนสําหรับข้อเปรียบเทียบในการเห็นยังไม่ถูกต้องของสำนักตามบางพวกขันสำริดที่ใส่น้ํา ที่ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรดแต่ว่าเจอได้ยาพิษทันใดนั้นมีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาระหายน้ําคนทั้งหลายจึงได้พูดกับบุรุษผู้นั้นอย่างนี้ว่านายขันสมิทธ์ที่ใส่น้ํานี้ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรดแต่ว่าเจอยาพิษถ้าทันประสงค์ก็จงดื่มเถิดเพราะว่าเมื่อดื่มน้นนาาํานั้นก็จะทราบสั้นด้วยสีบ้าง กลิ่มบ้างรถ บ, บ้างก็แหละครั้นเมื่อดื่มเข้าไปแล้วตัวท่านจะถึงความตายหรือถึงทุกข์แทบตายเพราะการดื่มนั้นเป็นเหตุดังนี้มรุษนั้นผลขันไม่ทันพิจารณาดื่มน้ำนั้นเข้าไม่บวนทิ้งเลยเขาก็ถึงความตายได้ได้รับครับทุขกข์เยนตายเพราะดื่มเพราะการดื่มนั้นเป็นเหตุทันทีแม้แําใดสมณะลูกพนในอดีตในอนาคตปัจจุบันที่ S 1> <S 1> เห็นอารมณ์อันตนที่รักเนี่ยโดยที่ดีวิพัลานั่นเป็นที่ชื่นใจในโลกโดยความเป็นของเที่ยงเป็นต้นเราเกล่าวว่าเขาย่อมไม่พ้นจากทุกไปได้เลยา็ฉะนั้นเหมือนกันก็คือไม่มีทางจะพ้นทุกถ้าตรงนี้ไม่ทำความพอใจให้ดีขั้นปริยัตต์ทางใจและขั้นปฏิบัติต้องเห็นได้จริงจรไอ้ของเราเนี่ยปริยัติเราค่อนขออ้างจะชัดเจนแต่ว่าในทางปฏิบัติเรายังไม่เห็นได้จริงๆริงเราก็ต้องพูดแทนแทนกันโดยทั่วไปว่ายังไงเราถึง ทำตัวทําการรับภูของเราเนี่ให้เป็นประโยชน์ต่อการที่ทําทุกให้เจริญมากกว่าทําทุกไม่ให้เจริญโอเปอร์ไมคยท่านก่็เทียบว่าไอ้ขันลำลึกที่ใส่น้ําอยาพิดเนี่ยก็เหมือนเปียรูสารตลุกในโลกจะเป็นคันลำลึกนะที่ใส่ ย, ยาผิดแล้วก็บุรุษผู้ที่เดินมาเนี่ยก็คือบุรุษผู้ที่คือปุถุชนผู้ที่ทําตนให้ เกี่ยวเนื่องไปกับการทำทุกข์ให้เจริญผู้อยู่ในทางสารวัติอย่า ง, างเชื่ยวบ้านทั่วไปแล้วก็คนทั้งหลายที่ล้องเชิญเนี่ยก็เหมือนกับอารมณ์คือตุกเสียงจิ โ, โตรติปปานี่ครับมาเชื้อเชิญเราอยู่ตลอดเวลาให้เราเสร็จมันนั่นเป็นอุ ป, ปมาที่หแล้วเราก็ไปอ่อด้วยอุ ป, ปมาที่สอง ในประเด็นที่สิบสองสำหรับผู้ปฏิบัติถูกคือแก้วเหล้าในเกิดมันแก้วใส่เหล้านะถึงท้อมด้วยสีกินรถโปรดกินรถแล้วก็เจอได้ยาพิษก็มีบุรุษกว่าความร้อนมากระหายน้ําคนทั้งหลายก็บอกว่าแก้วเหล้าถึงท้อมด้วยรถเนี่ยแต่ว่าเจ อ, อยาพิษถ้าทางกระทงเขาจองดื่มเถอะแต่ว่าเมื่อดื่มแล้วว่าต้องตายโบลุดนั้นก็คิดแล้วก็ปรากฏว่าเอาความวาไม่ดื่มนะเทจริงเสียคือตรงนี้เนะี่ยโอบามาเนี่ย ให้อารมณ์ที่เข้ามาร่องเชิญในความจริงเขาสแสดงตัวของเองเ้าไม่ได้ปกปิดในตัวเขาเองนะแต่เราต่างหากเป็นฝ่ายผีพรามก็อย่างที่วัยทุกข์นี่อมันก็แสดงตรมเองอยู่ตลอดเวลาท่างตาหูจมูกเนี่ยนะี่เราเนี่ยเป็นฝ่ายเอาเอ า, เอาแว่นสีมาใส่คือมันไม่ยอมรับความจริงนะคิดไปในทางอื่นเราเป็นคนปรุมแต่งให้ภาพมันเปี้ยนไปทางนั้นถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยหรือต้องการจะดูเนี่ยทําความคิดให้ดูหรือเปลี่ยนความคิดของเราไอ้ความเปนจริงก็จะปรากฏ ทุเครื่องอะครัเรื่องชีวิตเนี่ยแม้แต่เรื่องเวรเรื่องกรรมอะไรคา <c oughs> จริงถ้าสนใจดูชนิดมันเห็นใช่ไหมแต่ถ้าไม่สนใจดูต่อให้ตัวเองเป็นผู้ทํากรรมเองได้รับผลเองก็ไม่รู้เช่อไหมทําบุญทั้งบาปไม่รู้อไอ้คนทําบุญแล้วไม่รู้ว่าเป็นบุญมีมีนะไอ้คดีแบบไม่ได้เรียนนรรมะทําดีก็ชีวิตก็เป็นสุขดีก็เพิ่งไม่จําเป็นต้องไปเข้าวัดนะอะไรคือไม่ได้เชื่อมันก็ดีอยู่แล้วคดีก็ดีอย่างธรรมดา <c oughs> แต่พวกนี้ก็ อุดใจมากมนังไม่ได้นะแล้วก็พูที่ทำความชั่วเนี่ยเราอย่างเราไปเห็นได้ความรู้เยอะแยะแต่เจ้าตัวในเชื่อไให้ทำความชั่วยังไงยังไงยิ่งชั่วยิ่งไม่เห็นนะต้องต้องเป็นคนอื่นหรือเห็นคนอื่นอาจจะพอเห็นและมีคนสะกิดให้ดู <c oughs> วันนี้เราจบประศแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อหน้าก็จะมีสูตรอื่นต่อไปแล้วก็มีสูตรดีๆในวัดมีที่เหลืออีกสามสูตรให้ดูดีๆทั้งนั้น หน้าิดตามแล้ก็สูตรที่เกี่ยวกับนิพพานนยานกับธรรมาทิติยานของเป็นเรื่องวิปัสนานียาวหน่อยนะนิพพานนยานกับธรรมาทิติยานของท่านสุสีมะที่ได้รับการสนใจมานานเนี่ยก็จะเป็นสูตรในลําดับทัดทัดเลยไปแต่ไม่ใช่สูตรข่าวหน้าก่อนที่จะจบนะครับ ม, มีผู้ฝากข่าวเกี่ยวกับเรื่องพระเตยติโด คือที่วัดชลลำเปิงกาาใครเคยไปแล้ววิ้จักอาจารย์ทองจังหวัดเชียงใหม่นะท่านก็เป็นคนชอบคำภีแต่วก็ได้รวบรวมพระไทรปิฎกนานาชาติโดยก็มีทั้งครอบบ้างไม่ครอบบ้างเลยครับหลายหลายฉบับเอามาไว้ที่วัดลำเปิงผมก็เคยไปดูไปเห็นมาแล้วท่านก็อจัดชําระพิมพ์พระไตรปกฉบับล้านหน้าอักษรล้านหนาขึ้นเพื่อจริงๆก็เพื่อจะรักษาธรรมวินัยไว้ เป็นภาษาละนะต้องก็ได้ไปดูอมาแล้วก็ทําเสร็จมานานกว่าสงควรทีนี้ก็ที่วัดก็จัดฉลองฉลองก็ได้ปิฎกเหมือนอย่างวัดมาธาตุจัดแต่ก็ไปจัดที่วัดสวนดอกไม่ได้จัดที่วัดลำเปิงอ่ะวัดลำเปิงอาจจะไปลําบากในที่แคบการเข้ามากรมไม่สะดวกเราไปจัดที่วัดสวนดอกซึ่งอยู่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะ ระหว่างวันที่ 17-11 นะถึง17พฤศภาคม2540เนี่ยตร น, นี้ก็คงจะมีนิทรรศการมีอะไรต่างๆมีอภิปรายแล้วก็ได้นิมนต์พระเทระต่างประเทศทั้งในเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะข้ามานิมนต์ผู้ทรงพระเดิยดกมาด้วยก็น่าไปดูกันนะว่าอาจจะน่าดูว่ะพระเดิดกใหม่ปั้บว่าผู้ทรงพระเดียกจำพระเดีดกได้สงามาไี่เขาหน้าตาเป็นยังไงนะก็นับว่าดูน่าสนใจดี รูสุกาเราก็ไม่เคยมีมาเลยนะเมื่อก่อนนี่วัดมาธาตุก็ไม่ได้มีผู้ทรงพระไตวิโดกอะไรมาก็จะได้ไปดูให้เป็นกวนตาว่าเรายังได้มีโอกาสทันเห็นผู้ทรงพระไตวิโดกในยุคเรา mm hmm. ก็รายละเอียดนี่คงจะมีแต่ผมก็ไม่ไ ม, ไม่ได้มีไห้ตารางอะไรอะไรอยูม่มีอาจารย์มายุรีเป็นไปได้มาก็มาให้ดูแล้วฝากบอกเปื่อใไกมีโอกาสไปฉะนั้นก็แวะไปนะครับ มีไอ้แบนแฟนปลวนี่มาอาทิตย์หน้าเ น, นี่ไม่ทันแล้วมั้ยไม่ทันแล้วนะอาทิตย์หน้าเนี่ยวันที่อะไรฮะสิบสิบใช่ไหมาบางทีอาจจะอาจจะอาจอาจะไปขอถ่ายขออะไรมาเผื่อมาแจากแจกกันไว้ดูนะเพาเผื่อก็มีอะไรไปได้ไม่ได้ก็ไม่เปน็นงั้นก็ขอยุติสมาธิเรียองต้นนี้นะครับ <c oughs> เอา่า เราแพร่สู่กุศลทั้งนิตนะครับแต่ท่านผูดด้ใดแทรกกลับก่อนก็เชิญนะขอให้เพวกเราทุกคนนะครับได้นั่งในท่าที่สบายไม่ปนมมือไม่ปรนมมือก็ได้ทั้งนั้นขอให้ได้ร่วมกันทําบุญกิริยาอธิษฐานไม้กุศลแล้วก็ภาวนาไม้กุศลที่มีเมตตาเป็นที่ตั้งขอให้ท่านทั้งหลายได้ เสียสละบุญของท่านที่ได้ทําในในวันนี้นะครับในเช้าวันนี้จากการฟั้งทำการบริจาคทานในการอื่นๆก่อนหน้านี้และบุญบารมีที่ท่านได้สร้างสมมาเนี่ยขอได้เสียสละเพื่อเป็นเครื่องบูชาแก่ผู้ที่ควรบูชาเป็นเครื่องอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ผู้ที่เขารอรับการอนุเคราะห์เกื้อกูลจากพวกเราทั้งหลายขอให้ ผู้ที่ต้องการบุญจากเราที่อยู่ในที่ใกลน้นี้และอยู่ในที่ไกลออกไปเนี่ยจงได้รับรู้และมาสู่ที่นี้โดยความเพียรกันไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมารดาบิดาตั้งในอดีตปัจจุบันที่ลงครับไปแล้วญาติน้องสาโลหิตครูบาอาจารย์เพื่อนผูงุงหรือได้สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาโดยประการใดๆแม้ผู้ที่ เป็นผู้อื่นผู้ไกลเราก็ขออุทิศให้ด้วยกันทั้งหมดขอเชิญท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตอนุโมทนาเอาเป็นการเฉพาะตนเฉพาะตนเตนถิดขอให้บุญของท่านจงสำเร็จแก่เขาเหล่านั้นขอให้อนุโมทนาโดยทั่วกันเถิดขอให้อำนาจบุญกุศลที่ท่านได้อนุโมทนาแล้วจงดนบันดาลให้เกิด อั น, นิสเกิดวิบากที่ท่านต้องการอย่างเร่งด่วนที่สุดจะเป็นอะไรก็ตามก็ให้ท่านนึกตั้งจิตปรารถนาอธิษฐานเอาแล้วขอให้สำเร็จได้โดยจับทันพร้อมท้งปัจจัยสี่มีอาหารที่อยู่ที่อาศัยเครื่องนุงห่มยารัารกษาโรคยาฉาโลหิตมิท่าหายที่ถูกใจของท่านขอให้ อัตภาพของท่านทางกายและใจจงบริสุทธิ์ผุดผ่องขอให้ประสาทห้าของท่านทาวารหกของท่านจงบริสุทธิ์ผุดผ่องขอให้มโนธรรมและจริยธรรมจงปรากฏแก่ท่านทั้งปวงด้วยจริยธรรมอันุดงาม ที่ปรากฏทางกายทางวาจาและทางใจและขอให้ได้สดับตรัพฟังศึกษาพระสัพธรับช่วยกันเผยแพร่บอกล่าวแก่คนข้างเคียงของท่านของท่านขอให้ท่านได้มีโอกาสปฏิบัติสมถะและวิปัสนาและสามารถปฏิบัติได้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มเปลี่ยนจากสมถะและวิปัสนาขอให้ท่านได้มีกําลังในการประกอบบุญกุศลอื่นๆ ได้มีโอกาสปัดเจริญในกุศลอื่นๆด้วยและให้ได้รับความเกษมสุขทั้งในขณะประกอบบุญกุศลนั้นและเมื่อวิบากแห่งบุญกุศลนั้นส่งผลขอให้ท่านทั้งปวงจงพ้นจากทุกทุกประการถึงพร้อมด้วยความสุขทุกประการโดยทั่ว ก, กันเติมขอปิดประชุมเพียงเท่านี้